ตอนนี้ก็กำลังยุ่งอยู่ทางภาคใต้เกี่ยวกับเรื่องผักการเมืองแล้วก็ทราบข่าวว่าที่ยุ่งมากก็เพราะว่าไปเล่นการพนันกันคือพนันกันว่าใครจะได้ก็ไปไปไปพนันกันต่อกันอีกคนหนึ่งก็เล่นทางพักหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปเล่นทางพักหนึ่งแล้วเสียมีกองกองทุนในการพนันกันเป็นหลายๆล้าน เป็นสิบสิบล้า น, นนี่ได้ยินข่าวมานะครับอย่างั้นแล้วก็พอแพ้ขึ้นมามันก็มีเรื่องวุ่นวายแพ้ขึ้นมาหรือแพ้หรือชนะก็แล้แวแต่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นเยอะถ้าไป <g iggle> เล่นการพ น, านันก็ชกมวยกันเป็นกีฬา ม, มันก็ไปเล่นมันก็ไปเล่นการพ น, านันหรือว่าไม่ว่าจะทำอะไรที่ พอจะพนันได้ฟุตบอลฟุตบอลก็ไปเล่นกันพ น, นันกันเรียกว่าเกลือกลัวในทางสิบหายในทางเสื่อม <c oughs> ในภาษาที่ใช้อยู่ที่ท่านให้หัวข้อไว้ท่านใช้คำนี้ท่านใช้คำว่าไม่เกลือกลัวในทางสิบธหายตัวไม่ฝักไฟอบา ย, ยมุขไม่ครบคนผ่านไม่ดื่มสุรา สุราเนี่ก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันเป็นต้นเหตุให้เกิดความพินาดวอดไฟมากมายบางคนกินเหล้าเมาแล้วก็มานอนสุบุรีนอนสุบุรีแล้วก็บุรีมตกของที่หมอดตัวเองก็เมานอนไม่รู้สึกตัวไฟไฟมันก็ลามไปไหมไหมนันไม้ น, น, มนี่ถ้าจนถึงไม้บานหมดทั้งหลังก็มี เดิมสุราเดิมสุรามเอมาใหม่นี่ก็เรียกว่าเกลือกกลัวในทางเสื่อมเที่ยวกลางคืนมันมีเยอะที่เที่ยวกลางคืนก็มีเยอะคนที่ชอบเที่ยวมันก็เสี่ยงอันตรายตา่างๆอท่านผู้ฟังก็รู้เรื่องพวกนี้ดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดกันมากเลยครับว่าไม่ว่าอะไรที่มัน คิดว่ามันจะไปในทางเสื่อมก็พยายามเว้นเสียเว้นเสีย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ขยันขยันธท ร, รมหากินตังหน้าตางตาท ร, รมาหากินขยันรรมาหากินคนที่ไม่ขยันรรมาหากินหวังลาบลอยเช่นว่าการท่านนั้นฝักไฟ่ไนยบายยมุก แต่คนที่เขามีจิตใจดีจิตใจมั่นคงไม่ว่าอยู่กับร่องกับรอยมีเหตุมีผลว่าเป็นคนมีเหตุผลเขาก็ไม่หวังไม่หวังลาบที่มันลอยจริงๆก็ต้องการได้ลาบที่มันได้มาด้วยเรียวแรงด้วยเรียวแรงกำลังของเราเองดีกว่าทั้งเยอะเลย ดีกว่าทั้งเยอะเลยบางทีให้ความที่อ่อนแอนั่นเองควายตายลงก็ยังไปขูดเอาตัวเลขก็มีให้ความที่จิตใจอ่อนแอคิดแต่จะได้อะไรมาลอยๆอยโดยไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามเมื่อวันจันนี่ผมได้พูดไปหน่อยหนึ่งว่ามีผู้หญิงจีนคนหนึ่ง ถ้าเป็นคนแก่เสียงเป็นคนแก่มีประสบการณ์โทรเข้ามาในรายการวิทยุรา่การหนึ่งบอกว่าคนไทยยากจนเพราะว่าฝักไฟในอบายยมุคนจีนคนอินเดียเสือผืนหมอนใบเข้ามาในเมืองไทยมาเห็นเมืองไทยแล้วยิ้มออกเลยสบายมากอมีทรัพยากรอย่างนี้คนอยู่ขนาดนี้สบายมาก สองปีสามปีเขาตั้งตัวได้สิบปียี่สิบปีเขาเป็นเจ้าสัว เ, เ อ, อร่ํารวยมัง่งคั่งทีนี้ อ, อคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของที่เจ้าของทินอะไรนี่ก็ที่จริงก็คุ้นเคยกับที่ว่าควรจะทําอย่างไรแต่ก็ทำไมจริงทําไม่ได้อย่างน้อยแม้จะไม่ร่ํารวยแต่ก็ไม่ถึงกับยากจน ก็ควรจะไม่ถึงกับยากจน เ, เขารองไปดูไปดูในชนธรรมบทคนในชนธบทยากจนโดยสาเหตุหลายอย่างโดยสาเหตุหลายอย่างาต้องพูดกันเป็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงถึงจะให้ครบถ้วนได้โดยสาเหตุหลายอย่างแต่สาเหตุหนึ่งก็คือความฝักใฝ่ในทางเสื่อมนั่นเองในหลายหลายสาเหตุ โอกาสน้อยบ้างนี่สาเหตุสําคัญก็หน้าใหญ่ใจโตแต่ว่าเงินน้อยมีงานมีการทีหนึ่งก็สองไปกู้นี่ยืมสินมาสองหมืน่นสามมืน่นเอามาทํางานบวชหน้าให้ใหญ่ทํางานศกให้ใหญ่ทํางานอะไรอะไรต้องใหญ่ก็เงินไม่มีครับเงินไม่มีรายได้เดือนละร้อยสองร้อยสามร้อยพันหนึ่ง อะไรเนี้ในครอบครัวแต่ว่าถึงเวลาจัดงานมันไปยืมเงินก็มาทั้งสามหมื่นสี่มื่ลมวัวลมควายค่าหมูค่าเป็ดค่าไก่อะไรมากมายเพื่อจะเอาหน้าให้ได้หน้าแล้วก็เล่นการพนันกันทั้งงานอย่างนี้ครับก็ <c oughs> มีงานมีการอะไรขึ้นมาคนไทยก็ไปจ่ายเลยฮะคนจีนก็ไปหาเงิน คนไทยไปจ่ายเงินคนจีนไปหาเงินแล้วลองนึกดูว่าในสภาพการอย่างนี้ก็ใครจะจนใครจะรวยในสภาพการอย่างนี้ถ้า <c oughs> ชอบจัดงานจัดงานใหญ่แล้วก็คนไทยก็ไปจ่ายเงินการจ่ายเงินถือเป็นการพักพอรอนแล้คนจีนเขา้าเอาไปการหาเงินไปหาเงินไปพักพรอนเขาจัดงานเงินไปหาเงิน อย่างนี้ครับมันก็พูดไปก็อย่าว่าผมอย่างน้นอย่างนี้เลยครับก็ก็เป็นอย่างนี้จริงๆในสังคมของเราเราก็ต้องแก้ไขตัวเราเองตัวกันเองอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลอะไรให้มากนักเลยว่าคนต้องพึ่งตัวเองครับทุกคนถ้าพึ่งตัวเองได้แล้วรัฐบาลไม่ไม่ต้องไปพึ่งก็ได้ แค่นี้เราไปมอบความไว้วางใจหรือไปมอบที่พึ่งให้กับรัฐบาลไปสมุดเมื่อวานนี้ผมก็คุยกับท่านผู้ฟังมายอยู่ที่ข้อที่สี่นะครับไม่เกอบกลัวในทางเสือคือว่าถ้าเว้นอบายามุกจะได้ก็ช่วยได้เยอะ เพิ่มความขยันขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเก็าเว้นอบายยมุกเสียไดย้บายามุกนั้นพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าเป็นรูทั่วเป็นรูรั่วของโพคศัพ์เป็นรูรั่วของโพคทั้งหลายราเหมือนกับเราดักน้ำใส่ ตุ่มรั่วหรือใส่อะไรที่มันรั่วถ้าถึงจะมีความขยันมันเพียนมีวิริยะอุตสาหะตักน้ําแต่ถ้ามันรั่วมากรั่วมากมันก็ไหลออกมากเมื่อไหลออกมากก็โอกาสที่มันจะเหลืออยู่มันก็น้อย เหมือนก็เราเสียแรงเปล่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราปุดรูร่วงเสียได้ตักน้ำครั้งละนิดครั้งละหน่อยอตักน้ำใส่โอค์ใส่ตุ่มใส่ภาชนะน้ำครั้งละนิดครั้งละหน่อยแต่ว่าเก็บออม ที่ท่านเรียก ว, ว่าเก็บ อ, อมครั้งละนิดครั้งละหน่อยมันก็ได้มากขึ้นเพราะว่ามันไม่รั่วแล้วก็เราตักกินตักกินเท่าที่จําเป็นถ้าเท่าที่จําเป็นมันก็ไม่เท่าไหรแต่ที่เกินจําเป็นอะมันมากมันมากที่เกินจําเป็น <c oughs> กินเล่นกินเมา กินเที่ยวกินอะไรต่างๆมากมายแมัน <c oughs> เกินจำเป็นเรียกครับหลักมันก็ไม่ยากเป็นหลักไม่ง่ายแต่ก็ทำยากเจ้าที่สังเกตนะครับคนที่เว้นอบายยมุกแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพประกอบสัมมาชี แล้วก็มีความเป็นอยู่อย่างมัทธยัติก็อยู่ได้ทุกคนนะครับหรือว่ามีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ดีได้ก็ไม่ต้องพูดถึงรวยกันล้ครับพูดถึงว่าอยู่ได้ไม่เดือดร้อนออบางคนก็ร่ำรวย ได้โดยวิธีการอันนี้ว่ารายได้มันไม่สำคัญเท่ากับรายเหลือจากที่สมเด็จพระมหาวีระพง์อ้วนติดโสวัดปรมนิฟานที่ท่านได้ร่วงลับไปนานแล้วได้เขียนคติสั้นๆเอาไว้ชื่อว่าลบไม่สูตรเป็นหนังสือเล่มบางๆลบไม่สูตรมีคติเยอะ ในคติเรานั่นก็มีอยู่คติหนึ่งที่ว่ารายได้ไม่สำคัญเท่ารายเหลียด <c oughs> ให้ลูกหลานได้จำเอาไว้คำของผู้หลักผู้ใหญ่มีประสบการณ์มาก <c oughs> อันนี้ครับน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงกับเรื่องอ บ, บายามุก ใบยมุกสี่ใบยมุกหกขอ บ, บคนผ่านเด่มสุราไม่ใจเป็นไปจำไม่แล้วก็เที่ยวกลางคืนเล่นการพ น, นันเก็ดครานครบคนคอบหญิงเสพตีคอบชายเสยพตีมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมทั้งนั้น ที่จริงของพวกนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ของยากที่จะเลิกอ่ะเดี๋ยวจะพูดในข้อต่อไปนะครับในหัวข้อต่อไปไม่ใช่ของยากที่จะเลิกมันของง่ายแต่ทำไมมันถึงเลิกไม่ได้ผมพูดในข้อจนใจเหมือนกันครับมันไม่ใช่ของยากที่จะเลิก ไม่ใช่ของยากที่จะไม่ไปยุ่งกับมันแต่ทำไมมันถึงเลิกไม่ได้อาืจ <c oughs> อว่าเราเป็นนกไส้กันหมดแล้วเราเป็นนกนกไส้เราผู้ชาเจ้าจะาไ่กว่านกไส้นกตัวเล็กๆมันมีโดนเทวันเทวันมาพันขามันผูก เอาเถาวันเล็กๆมาผูกขามันมันก็มันก็ไม่หลุดรับมันก็ถูกพันธนาการอยู่กับเถาวันเล็กๆ น, น่น <c oughs> ดินไม่หลุดแต่ถ้าเป็นช้างแต่ถ้าเป็นช้างไอเถาวันแค่นั้นมันไม่รู้สึกรู้ษาอะไรเองเล ว่าเหยียดขานิดเดียวมันก็หลุดหมดแล้วเหยียดขานิดเดียวมันก็หลุดหมดแล้วมันนั่นหมดแล้วถูกทําลายหมดแล้วเรียกับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ของยากที่จะเลิกและไม่ใช่ของยากที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับมัน คนที่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันก่นไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันคนที่ไปเกี่ยวข้องกับมันแล้วมันไม่ให้ของยะที่จะเลิก <c oughs> <c oughs> บุหรีหล้า <c oughs> สิ่งเสพติดให้โทษอะไรต่างๆที่มันฆ่าคนไทยและคนทั้งหลายทั้งปวงอยู่อย่างเลือดเย็น แต่ว่าฆ่าอย่างเลือดเย็นค่อยๆให้ตายไปทีละน้อยมันไม่ใช่กองยาแต่แล้วเมื่อเราพึ่งตัวเองไม่ได้ก็หวังพึ่งรัฐบาลร่ำร้องแต่จะให้รัฐบาลช่วยทีนี้รัฐบาลก็คือคนคนที่ประกอบ เป็นคณะบุคคลที่มาบริหารประเทศ <c oughs> <c oughs> เป็นคณะบุคคลที่ได้อำนาจ <c oughs> มาบริหารประเทศ <c oughs> ถ้าเหล่านั้นไม่ได้มี <c oughs> ไม่ได้มีฤทธิ์ไม่ได้มีปาฏิหารไม่ได้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อะไรที่จะไปช่วยใครได้โดยที่เขาไม่ช่วยตัวเอง เขาก็ทำงานบริหารอยู่ในระดับสูงทีนี่คนชาวบ้าน ส, <วย>ส่วนมากคนส่วนมากก็อยู่ในระดับชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเป็นอย่างท่านเป็นอย่างผมเนี่ยเก้าสิบ เ5้าสิบห้าเป์ก็อยู่อย่างชาวบ้านธรรมดาอยู่อย่างท่านอย่างผมตอนนี้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองโดยการเว้นไม่เกลือนกลัวกับทางเสื่อมแล้วก็ขยันมันเพียนรู้จักเก็บหอมแล้วก็ <c oughs> รัฐบาลไหนจะมาช่วยได้ผมได้สังเกตเห็นนะครับ <c oughs> ได้สังเกตเห็นนะคนที่เขาช่วยตัวเองโดยลักษณะที่กล่าวมาเนี้ยนะครับช่วยตั้งหน้าตั้งตาการช่วยตัวเองเว้นบายามุกได้หมดแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานทำการ ด้วยสัมมาชีพฐิเก็บผอมรอมริบตั้งตัวได้ครับตั <c oughs> ้งตัวได้ไม่เดือดร้อนแม้ในในระหว่างที่เศรษฐกิจกําลังตกต่ํากําลังพังอยู่อยู่ได้อันนี้ผมต้องขอไอหาท่านที่เดือดร้อนในในยามที่เศรษฐกิจตกต่ําอะไรนะครับย่ <c oughs> อมจะต้องมีอยู่บ้างนะ เพราะว่ามันมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ต้องเป็นอย่างนั้นคือผมไม่ได้ไม่ได้เบี่ยงแห้ไปทั้งหมดนะครับคือผมพูดเฉพาะคนที่ไม่รู้จักพึ่งตัวเองแล้วก็หวังพึ่งแต่คนอื่นหวังพึ่งแต่รัฐบาล <c oughs> ถ้ถึงเวลา <c oughs> เวลาปกติเวลาวันธรรมด า, มดเเากา็มัวแต่เสพเหฮากินเหล้าเมายาติดยาเสพติดงานการไม่รู้จักทรรมแล้วก็รำร้องว่าเทวดาให้่ารัฐบาลไม่ช่วยอะไรอย่างนี้นะครับสุภาษิตพลังเขาก็เขาก็มีลักษณะนี้นะครับ ว่าพระเจ้าจะช่วยเฉพาะคนที่ช่วยตัวเองเห็นไหมฮะแม่แต่ผู้ที่นับถือศาสนาคริส <c oughs> ท่านก็ยังเตือนเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันว่า <Wow. S 1> พระเจ้าจะช่วยแต่เฉพาะผู้ที่ช่วยตัวเองถ้าถ้าเผื่อท่านไม่ช่วยตัวเองถดงจยอ่อ้อนวอนพระเจ้าสักเท่าไหร่ พระเจ้าก็ช่วยท่านไม่ได้ทั้งๆที่ศา ส, สนาคริสต์นั่นเขากา็ยกย่องพระเจ้ามากทีเดียววราวังพึ่งพระเจ้ามากทีเดียวแต่เสร็จแล้วในที่สุดเขาก็ต้องคอนคลูชันว่าพระเจ้า <c oughs> จะช่วยเฉพาะผู้ที่ช่วยตัวเองถ้าไม่ช่วยตัวเองแล้วพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้ พระพุทธเจ้า <c oughs> ในศาสนาพุทธท่านก็บอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะถ้าเราไม่พยายามพึ่งตัวเองแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พึ่งไม่ได้ <c oughs> เราจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ ต่อพระพุทธรูปองค์ไหนต่อ อ, อพระธรรมที่ไหนต่อพระสงฆ์ที่ไหนจะอ่อนวอนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สักเท่าไหร่ท่านก็คงช่วยไม่ได้ถ้าช่วยได้ท่านช่วยแล้วถ้าช่วยได้ท่านช่วยแล้วแต่ว่าท่านช่วยไม่ได้ท่านก็บอกไว้ตรงๆว่าตาตาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก เท่านั้นเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นความเพียร <c oughs> ความเพียรท่านทั้งหลายต้องทำเองตุมเมีกิจยังอาตับปังความเพียรท่านทั้งหลายต้องทำเอกอักขาตายูตะาตาคาตาตะตาคตทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้น ถ้าเพื่อบอกแล้วไม่ไปไม่เดินไปไม่ดำเนินไปท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็เคยจัดเคยจัดกับพิกสูทั้งหลายเปรียบเหมือนท่านเปรียบว่าเมืองราชคฤห์เปรียบในสมัยของท่านนะครับเมืองราชคฤห์ก็มีอยู่ผู้บอกทางก็มีอยู่ขนทางก็มีอยู่แต่ว่าเมื่อเขาไม่เดินไป เขาจะถึงเมืองรัชคลึกได้อย่างไรในนี้ถ้ามาถึงบ้านเราก็เอาเมืองไหนก็ได้สักเมืองหนึ่งสักเมืองหนึ่งพอกรุงเทพก็ได้ <c oughs> สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพก็มีอยู่ทางที่ไปกรุงเทพก็มีอยู่ผู้บอกทางที่จะไปกรุงเทพก็มีอยู่ แต่เมื่อเขาไม่ไปแล้วเขาจะถึงได้อย่างไรถึงไม่ได้คนที่โดนดันไปด้วยซ้ำไปโดนดันไปด้วยซ้ำไปาทาท้งๆที่ไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางที่ถูกต้องคนบอกก็ไม่มีแต่ว่ามีความเพียรพยายามมันถามมันสอบมันหาก็ไปเจอได้ ก็ไปเจอได้ดีกว่าคนที่ทางก็มีอยู่ผู้บอกทางก็มีอยู่ที่นั้นก็มีอยู่แต่ไม่กระดิกกระเดี้ยตัวเลยไปได้อย่างไรไปไม่ได้นี่แหละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็คือความเพียรพยายามของท่านนั่นแหละ ความเพียรพยายามความบากบนันไม่ทอดทุระรัพผิิชอบนั่นแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาทำให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ประสงค์าะฉะนั้นผมก็ขอสรุปไปในที่นี้ในเรื่องนี้ว่าขอให้ใช้ความเพียรพยายาม ให้มากที่สุดด้วยตัวของท่านเอง <c oughs> จะไม่ผิดหวังหรอกครับไม่ผิดหวังเมื่อสองสาวันนี้ก็ดูรายการรายการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความเพียรพยายามมีผู้หญิงคนหนึ่งขเขาเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าเขาออกอากาศมาแล้วออกทีวีนะครับชื่อวิกิตรา ถ้าคุณวิจิตาเขาเป็นคนพิการไปก็จบอเรียนจบแล้นี้ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีคนรับไอสมัครงานที่ไหนเขาก็าไม่รับพอเห็นเป็นคนพิการทีแรกก็ดูไปประกาศนียบัตรตัวอะไรก็ให้ไปให้ไปอให้ไปแสดงตัวให้ไปติดต่อพอเห็นตัวเข้าก็ไม่รับ พอเป็นคนพิการบอกว่าให้คอยฟังผลที่บ่ายเล้ก็กลับไปต่อมาเขาก็ตัดสินใจในที่สุดก็ตัดสินใจทำงานของตัวเองเอบริษัทบริษัทวอวิชันเฟอร์นิเจอร์ของคุณวิจิต า, าจันเพชร น, นะครับนามสกุลจันเพชร เ, เขาออกปรากาศมาแล้วผมนำมาพูดอีกทีในกอง คงไม่ไม่เป็นไร <c oughs> สองสองสามีกับสามีช่วยกันทาด้วยการลมลุกคุกการมาก่อนในที่สุดเวลานี้ได้ดีแล้วคือเป็นบริษัททีออ่ออกแบบบางทำอะไรอะไรนะตามตามชื่อเขาเนี่ยนะะวิววิชั่นเฟอร์นิเจอร์ก็มีการออกแบบบางอะไรบางคนพิการ <c oughs> ก็ทำมาได้เวลานี้ก็ดีแล้วคือประสบความสำเร็จแล้วได้รับเชิญให้มาออกอากาศทางทีวีนะครับ <c oughs> ทีวีเขาเชิญมานี่คือความเพียรพยายามความบักปันความอดทนมันช่วยคนได้มาก อันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ทีนี้ก็มาอีกข้อหนึ่งนะครับ <c oughs> มาอีกข้อหนึ่งนะเป็นข้อที่ห้าข้อที่ห้าว่ามีความกล้าหาญมีความกล้าหาญอันนี้ก็สำคัญตรงที่ว่าเรารู้จักกล้าหาญที่จะทำกล้าหาญที่จะเลิก เกิจะทําอะไรก็กล้าที่จะทําไม่ไม่กลัวเกินไปไม่กลัวเกินไปจนไม่กล้าทําอะไรเลยแต่ก็ไม่ใช่กล้าจนบาบินแทนบบาบินนั่นก็เป็นส่วนสุดข้างเด็กมันไม่ดี <c oughs> แล้วก็ขี้คลาดเกินไปจนไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าตัดสินใจทําอะไร ก็เป็นส่วนสุดขั้งหนึ่ง เ, งเขาไม่ดีความกล้าหาญนี่เป็นคุณธรรมคุณธรรมนี่อยู่ท่ามกลางก็เป็นมัชฌิมาปฏิปตาเป็นสายกลางเป็นทางสายกลางความขี่กลาดไม่เป็นคุณธรรมความกล้าจนบ้าบินเพรากล้าในสิ่งที่ไม่ควรกล้า อย่างนั้นก็ไม่เป็นคุณธรรมความกล้าหาญอยู่ตรงกลาง <Okay. S 1> เป็นคุณธรรมแต่ว่าการเลิกสิ่งที่ควรเลิกกล้าทำสิ่งที่ควรทำกล้าในเวลาที่มีอันตรายกล้าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความกล้าหาญกำลังเรียวแรง รู้ได้เมื่อมีอันตรายถ้าเผื่อว่าเอาแต่เอาแต่คุยหึืแม้เราจาพูดมากากล้าอย่างนั้นกล้าอย่างนี้แต่เวลามีอันตรายหรือมีปัญหาที่จะต้องทําที่จะต้องเสี่ยงก็ไม่กล้าอะไรสักอย่างเพรานั้นไม่ใช่พูดกล้าแท้จริง อ, อันตรายก็มีหลายอย่างแล้วก็มีอยู่รอบด้าน มันเป็นสพัพติสัสพติภัยโจมีภัยอยู่รอบดานมีภัยอยู่รอบดานอันตรายสูงสุดก็เกอนอันตรายชวิ ต, ตในเวลาปกติเราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่อาจจะรู้ได้ว่าใครก็ะหารหรือขี้คราดมีกำลังเรียวแรงมากหรือน้อยแต่พอมีอันตรายเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ ที่ต้องแสดงความกล้าหาญเกิดขึ้นก็จะพิสูจน์ได้ว่าใครขลาดใครกล้าแต่ความกล้าก็มีอยู่สองอย่างนะครับคือกล้าแท้และกล้าเทียมกล้าย่างแท้กับกล้าย่างเทียมผู้ที่กล้าแท้จริงย่อมประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้กล้าแต่ผู้กล้าเทียม ก็จะประศจากคุณสมบัติของผู้กล้าเช่นว่าชายที่มีกําลังมากมกล้ารังแกผู้หญิงผู้ด้อยกําลังกวา่ารังแกเด็กหรือคนพิการเป็นต้นนะครับแม้คนพิการเองนะครับส่วนมากก็แสดงความกล้าโดยขาดคุณสมบัติของผู้กล้าเช่นว่าชอบรังแกเด็กเล็ก เพื่อชดเชยปมด้อยของตนที่ไม่เหมือนผู้ใหญ่อื่นๆพวกเด็กจริงมักจะกลัวคนพิการนอกจากกลัวหน้าตาท่าทางที่น่ากลัวของเขาแล้วยังกลัวความโหดร้ายของเขาด้วยสําหรับคนพิการบางคนแต่ว่าคนพิการ จะเป็นอย่างนั้นไปทุกคนก็กไม่นะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปทุกคนที่มีเมตตาการุณาหรือเอาความพิการของตัวเป็นเครื่องสังเวสหลดใจแล้วก็ประกอบแต่กรรมดีก็มีอยู่ยังคงอยู่ที่คุณสมบัติเจ็ดประการสําหรับเป็นที่ไหลามาของโพกะหรือโพกษสมบัติ โชคลาภผู้ใดที่มีคุณสมบัติเจ็ดประการโชคลาภย่อมจะหลั่งไหลมาสำหรับบุคคลผู้นั้นโชคลาภนี่ก็มีหลายอย่างนะครับไม่ได้ไม่ได้หมายเพียงโชคลาภอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ ก็จะต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองเสมอไปจะหมายรวมถึงสิ่งที่พึงปรารถนาทุกอย่างสิ่งที่พึงปรารถนาทุกอย่างนั้นเรีกว่าโชคลาภถ้าสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ไม่ใช่โชคลาภ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่พึงปรัชนาของผู้หนึ่งก็อาจจะไม่เป็นที่ปรัชนาของอีกผู้หนึ่งอย่างที่ว่าเนื้อสําหรับคนหนึ่งเป็นยาพิษสําหรับอีกคนหนึ่งแล้วเป็นของหวานสําหรับคนหนึ่งเป็นยาขมสําหรับอีกคนหนึ่งอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาพระท่านให้พรหรือผู้ใหญ่ให้พรก็ะจะให้พรว่าอิจิตังปฏิจตังสิ่งใดที่ท่านต้องการแล้วปรารถนาแล้วก็สิ่งนั้นจงพันสำเร็จอขอให้ความ ดำริทั้งปวงของท่านเต็มบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญขอให้ความดำริของท่านทุกอย่างเต็มบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญหรือเปิดมณีโชติรสคือแก้วแก้วที่ที่ที่สว่างสวัย ว่าไม่ขุนมัวดวงแก้วที่สว่างสวัยไม่ขุนมัวเ <c oughs> พราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะต้องขยายขอบเขตของคำว่าโชคลาภออกไปถึงสิ่งที่พึงปรารถนาทุกอย่างไม่ใช่ โชคลาภในความหมายแคบๆอย่างที่ทั่วไปเข้าใจาหมายถึงทรัพย์สินเงินทอง เ, อเลือกสวนรายนาช้างมาวัวควายอะไรคำนองนี้นะครับ <c oughs> มันโชคลาภย่อมจะหลั่งไหลมาสู่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติเจะการในได้พูดมาถึงเรื่องความกล้าหาร เมื่อคืนที่แล้วพูดถึงความกล้าหาญลืมไปนิดหนึ่งครับเมื่อคืนก่อนนี้ได้เล่าถึงเรื่องกลุ่มพระโกศแล้วก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งสงสัยว่าจะผู้หญิงที่ได้ยินเสียงได้ยินพระกระแสรับสั่งของ พระเจ้าพิมพิสารนั่นเป็นใครกันแน่ครับเป็นสนมหรือเป็นใครพในหนังสือตำราก็าจะบอกว่า <c oughs> เป็นสนมนี่ก็มีลูกสาวเาะนี้ถ้าเป็นสนมก็ลูกสาวก็ต้องเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิศารก็เลย ในหนังสือตำราก็ที่ตำราที่รัพระสงเรียนอยู่ทั่วประเทศมันก็แปลมาว่าสนมก็ลองกลับไปดูภาษาบาลีครั้งหนึ่งที่แรกก็ไม่ได้ไม่ได้ดู <c oughs> กลับไปดูภาษาบาลีครั้งหนึ่งท่านใช้คำว่าปริจาริกาปริจาริกา หญิงคนนั้นท่านใช้คำว่าปริจาริปริจาริกาทนี้ปริจาริกานี่พจนานุกรมไทยไม่แปลไม่แปลให้พอถึงคำนี้ก็แปลบาลีเป็นบาลีเป็นบริจาริกา เราเปนแปลเป็นบริจาริกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ไปเปิดตูในพจนานุกรมบาลีบาลีไทยอังกฤษสันสกฤตก็ได้ความว่าเป็นเซอร์พนบริจาริกานี่แต่ท่านใช้คำบริจาริโก ถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นปริจาริโกเขาเป็นเซอร์ฝนเป็นเอทเทนเตนเป็นแอสเิสเทนก็ถ้าดูตามเนื้อความหรือถ้าดูตามเนื้อเรื่องผู้หญิงคนที่ไปไปหากุมพกะโกแล้วก็ยอมให้ลูก ลูกสาวอานอนกับอกุมภโกศกก็น่าจะเป็นผู้หญิงรับใช้ไม่ใช่ไม่ใช่สนมของพระเจ้าพิมพิสารก็น่าจะเป็นผู้หญิงรับใชเ้เด็กรับใช้หรือคนรับใช้นในระดับระดับที่คนรับใช้ในหวัง เพราะนั้นจึงมีลูกแล้วก็พาลูกสาวไปด้วยแล้วก็เห็นว่าคุมประโกศกนี่มีเงินทองเชื่อพระเจ้าแผ่นดินว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นพูดอะไรไม่เหลวไหลต้องคนนี้ต้องมั่งคั่งแน่ก็ยอบยอมให้ลูกสาวเป็นพันยาของคุมประโกศกในที่สุดก็ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นความจริงอย่างนั้นตามที่เล่ามาแล้วนะครับขอแก้แก้เนื้อความนิดหนึ่งว่าน่าจะเป็นหญิงรับใช้ไม่ใช่สนมแต่ว่าในตำราเรียนของพระที่เรียนกันอยู่ทั่วประเทศในเรื่องนี้นมาจากอันตราทาธรรมบทนะครับภาพสพองแปลว่าสนมกลับไปดูเหมือนกัน <c oughs> กลับไปดูอันตราธรรมบทรท่าสองท่านก็แปลว่า ส, สนมอันนี้จะถ้าเจอท่านผู้ใหญ่ในวงการศึกษาก็จะลองอเสนอท่านดูว่าจะมีการแก้ไขหรือฟุตโนตกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะทําเข้าเรื่องไม่น่าจะใช่พระสนมของพระเจ้าพิพิษสันผู้หญิงคนนั้น อันนี้ก็ขอแก้ไว้อย่างนี้นะครับเมื่อคืนที่แล้วคืนวันวันพฤหัสเมื่อคืนก่อนนี้ก็ลืมไปว่าจะพูดเพราะว่าเรื่องนี้พูดเมื่อคืนวันพุธทีนี้ผมจะพูดเรื่องคุณสมบัติข้อที่ว่าด้วยความกล้าหาญต่อไปนะครับคือข้อที่ห้ากล้าหาญสำหรับผู้กล้าหาญแท้จริง จะแสดงความกล้าหาญให้ปรากฏเมื่อถึงคราวจำเป็นหรือเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นแก่ตนแก่พวกพ้องแก่ผู้ที่ตนรับผิดชอบ <c oughs> หรือว่าแก่สังคมแก่ประเทศชาติถ้าโดยธรรมดาปกติธรรมดาก็มักจะอยู่ เ, ยเฉยๆเรื่อย บางคนในบางคราวก็มีอาการเหมือนหนึ่งว่าเป็นบุคลาดไปซ้ำไปแต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่จำเป็นที่จะต้องแสดงความกล้ า, าเขาจึงจะแสดงออกมาเขาก็แสดงออกมาทางกายบางทางวาจาบาง ไม่กลัวแม้แต่การสูญเสียชีวิตทรัพย์ยศแต่สิ่งที่จะต้องหวงแห็นทางหลายทางปวงในการต่อสู้ <c oughs> ในการต่อสู้นั้นผู้กล้าแท้จริงเราจะไม่ออกเปรียบคู่ต่อสู้เพราะว่าให้โอกาสคู่ต่อสู้ เท่าๆกับตนหรือว่าเนื้อตนเพราะฉะนั้นนักรบเนี่ยครับนักรบนี่เขาจะไม่ไม่ทําร้ายคู่ต่อสู้ที่วางอาวุธแล้วหรือไร้อาวุธเพราะว่าเขาแสดงความกล้าหาญเมื่อคู่ต่อสู้วางอาวุธยอมแพ้แล้วเขาจะไม่ทําร้าย หรือผู้ที่ไม่มีอาวุธอือาจจะไม่ทําร้ายแล้วก็คนที่กล้าหาันแท้จริงจะรักหน้าที่จะทําอะไรเพื่อหน้าที่เห็นว่าเป็นหน้าที่แล้วก็ไม่กลัวอบางคราวแม่จะต้องรู้ว่าจะต้องเสี่ยงชีวิตแต่ก็ไม่กลัว ตัวอย่างในบุคคลในประวัติศาสตร์โรมันปอมปอมเป้ปอมเปคนสำคัญคนหนึ่งของโรมันเมื่อจะเข้าไปกรุงโรมมีคนห้ามบอกว่ า, าถ้าเข้าไปจะได้รับอันตรายแต่ปอมเปมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปทำ จึงไม่สะทกสะทานต่อความตายเมื่อเพื่อนฝูงห้ามปอมเปย์ก็ตอบว่าเป็นการจําเป็นที่ฉันจะต้องเข้าไปแต่ไม่จําเป็นที่ฉันจะต้องมีชีวิตอยู่ออันนี้เขาเขาถอเถียงหน้าที่เถียาหน้าที่เป็นสําคัญกว่าชีวิต ว่ามันมันเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องเข้าไปทำแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีชีวิตอยู่ก็ได้ที <c oughs> นี้ <c oughs> เราจะเห็นว่าคนกล้าหารก็เข้าลักษณะก็มีลักษณะมีลักษณะที่ว่ า, อายอมยอมเสียชีวิตก็ได้ยอมเสียอะไรต่ออะไรก็ได้คือกล้าเสี่ยง ต่อความสูญเสียถ้าเพืือกคำหนึ่งถึงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ อ, อย่างเช่นสุภาษิตในพุทธศาสนาในสุตสโสมชาดกครับสลาดรัพย์เพื่อรักษาวยวะายอมสละดวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อะระลึก ถ, ถึงธรรมคือความถูกต้อง ก็ยอมสละได้ทั้งศัพย์ทั้งวัยวะทั้งชีวิตก็ยอมสละได้ถ้าเพื่อประโยชน์ผลใหญ่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมว่าสละแล้วมันได้ประโยชน์แก่คนหมู่มาก